ฝังธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมไม่ับไม่ลี้เปิดเผยมาเพื่เจ้าได้สองสดยได้สรงปฏิบัติปาได้สงสอน ผู้ที่เกิดสุดท้ายภายหลังมาอันเดียวกันนานมาแล้วมีความเพียรมีสติต่ามีสติมันข้อละความชัว่วถ้ามีสติมันก็ทำความดี ถ้ามีสติจิตก็บริสุทธิ์ง่ายง่ายไม่ต้องไปใช้วัตถุที่หนึ่งที่สองอยู่กับชีวิตเราแล้วทุกคนมีแล้วพร้อมแล้วสติจะเกิดขึ้นก็ประกอบส่วนประกอบไ้เกิดการมีสติก็มีแล้ว มีลูกมีนมมีความเพียรมีศรัทธาแล้วก็มงัปปานนี้เรามีศรัทธาตั้งใจมาออกคดปฏิบัติธรรมมงัจจักภาคต้อยภูเก็ตฟังนา หลายพิษหลายทางมารวมกันมาปฏิบัติมาทำเหมือนกันมาจากเมืองจีนก็มีหลวงตาเคยไปสอนทำที่เมืองจีนนั่งเคยือบินมาปฏิบัติธรรมจากตอนเหนือของปักกิ่ง นั่งเครื่องบินมา 3-4 ชั่วโมงนั่งรถไฟจากเตยตะวันตก3าวัน4วันนะปฏิวัติก็มีหวันกัน <c oughs> นี่คือบางไทยที่นี่คือวัด อยู่ที่นี่คือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ใครที่ไหนทำอย่างเดียวกันคิดแบบเดียวกันในสติยิ่งทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันถ้าเราขาดสติก็เป็นคนละคน เาจึงพยายามที่จะประกอบองค์เพียรมิสติขึ้นมาขยันเยาวาภาวนาขยันรู้ตามวิชากรรมฐานได้พัฒนามา <c oughs> แต่เดิมพระพุทเจ้าเนีแต่คู่เขียนเข้ารู้สึกเยีาเานออกรู้สึก รู้เฉงเข้ารู้สึกเย่เฉือนออกรู้สึกให้มีส่วนประกอบมีวัตถุที่รู้มีนิมิตที่ตั้งระย้นทธรรมมีภาวะาที่รู้เป็นทูนเป็นเจ้าเลือนตั้งไว้แล้วเห็นนอะไรที่มันเกิดกับไปเกิดกับคิดใจก็กลับมาหาเป็นภาวะที่รู้ได้ อลูกก็จบก็หลงเป็นลูกความหลงก็จบหลงที่ความลูกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็มีความรู้สึกตัวก็จบอยู่กับความลูกผิดถูกมาจบหลงที่ความลูก <c oughs> อะไรก็ตามที่เหมือนเกิดกับกายกับใจถ้มีความรู้สึกตัวก็มาหลงที่นี่ ตอนนั้นเดียวกันหัดทีด่หดรู้เอียนทุกอย่างที่ไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นกับกากับใจมันเป็นความรู้นี่คือปฏิบัติถ้าไม่ทำหน้า น, นี้ก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ถ้าไปมีสติมันก็จะไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมักจะเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกายก็มีทั้งกทั้งจิตใจก็มี เกิดขึ้นมาเราก็เป็นไปตามมันนานเท่าไหรยเรื่องความหลงกับความรู้ฉึกตัวอันไหนมันมากกว่ากันถ้าหลงเป็นหลงหลงจะหลอดตายถ้าหลงเป็นรู้อา จ, จะหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ถือมันมีทุกข์ก็เป็นความรู้ใช่อาจจะเป็นทุกข์ขั้งสุดท้ายถ้าทุกข์เป็นทุกข์ ก็ทุกกันตายถ้าหลงก็ไปกลายไปเป็นอกุศลหมดถึงอนความแก่ความเจ็บความตายถ้ารู้จึกตัวก็เหนือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะภาวะที่รู้มันเหนือทุกอย่างโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมมันก็มีหลักอยู่ ตามที่พระเจ้าทรงแสดงทรงสอนเห็นทุกู้แล้วเห็นเหตุในเกิดทุกข์ละได้แล้วเห็นวิธีปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์ทำได้แล้วทำเป็นแล้วตามทุกครั้งมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลำลลายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเหล่านี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เวลาเรามีสติ เมื่เกิดความหลงขึ้นมารู้สึกตัวได้เห็นแล้วได้ทำแล้วไม่หลงแล้วนียว่าเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจอกความหลงทันทีไม่นานนี่คือความเพียรเพื่อละอกศุศลที่เป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก ความหลงเกิดขึ้นได้เป็นความรู้แล้วความทุกข์เกิดขึ้นเป็นความรู้แล้วนี่คือเปลี่ยนอกุศลที่เป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกแต่มีความรู้จักตัวอยู่ก็ ม, มีสร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรู้แล้วรู้แล้วให้งอกงามให้ไพบูรย์ให้เจริญให้ตั้งมั่นให้เต็มโลก ให้เป็นนิพพานไปเลยความรู้จักตัวเนี่ยถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นอื่นเราจึงมาขยันมามีความเพียรมามีศรัทธามามีความเพียรเอาใจใส่มีใจด้วยมีกายด้วยให้รวมกันเข้าให้มีจิตใจเอาใจใส่อยู่เสมอหรืว่า ฉันทางเวติคือขัดมีศรัทธาริยะเมะติคือมีความเพียรมีจิตต์มีจิตจต์คือเอาใจใส่ก็จะเกิดความสำเร็จได้ไม่มีศรัทธามีความเพียรมีจิตใจเอาใจใส่ก็มีภาวนามีกรรมฐานมันไม่จนเลยเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะปล่อยทิ้งตัวเอง ให้จงปักอยู่กับเรื่องหนเรื่องหนึ่งต้องมีสติการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะให้ความเป็นธรรมกับชีวิตของเรามั่นใจมาอะไระเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นเราจะดูมันอยู่นี่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไปก็จะทำได้ทุกอย่างเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีขึ้นได้ทุกอย่างโดยเฉพาะกรรมฐานทัน อ, อกทันใจ 14จังหวะในพัฒนามาจากการคู่แขนงเข้าเหยี่อเฉินอนอมาเป็นจังหวะสิบสจังหวะพัฒนาขึ้นมาจังหวะหนึ่งไม่เกินนอนเกินวินาทีหรือไหวก็ไม่เกินวินาทีทุกวินาทีทุกวินาทีที่รู้เนี่ยมันยิ่งถันใจ ม่มีอะไรทันใจมากกว่ากรรมฐานกรรมฐานเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราแล้วมาประกอบขึ้นมาไม่ใช่เต็มที่ชีวิตเรื่องกรรมฐานที่นี่ไม่ต้องเก่งออกเกียงใจอะไรที่ไหนเผื่อการนี่โดยตรงกรรฐานที่นี่เผื่อการนี่โดยตรงจะมี ก็เปลี่ยนเพียงอัติเลกเล็กแต่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่คือเรื่องนี้เรื่องกรรมฐานนี่ไอทุกคนได้ปฏิบัติให้ทําลงลายเราก็ขอบคุณผู้ที่มาเอาโคตรฝึกกรรมฐานเข้มเรียกว่าติวเชิหน่อยติวดูสัิหน่วยเหมือนก็ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้เันเกียตที่ดี ถ้าเกดไม่ดีมันก็เข้าไม่ได้ผ่านไม่ได้เกดดีอยู่ที่ไหนขยันรู้เวลาหลงลู้เวลาทุกลู้เวลาโกรธอะไรที่มันเกิดก็เหมือนรู้ง่ายง่ายถ้าเกดตัวนี้ดีติวอย่างนี้ก็ผ่านได้ทุกอย่างผ่านไม่เป็นควนรู้ทั้งหมดเห็นทั้งหมดไม่เป็นทั้งหมดเกดมันดี เห็นไม่เป็นนี่เกรดดีจนไม่มีอะไรที่จะเป็นไปกรรมมันจิ่งที่เกิดขึ้นกับปายกับใจเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นไปกรรมเลยเป็นยิ่งเป็นความยิ่งใหญ่เห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่แลนนี้คือชีวิตเราเราจะได้ชีวิตจากตรงนี้ถ้าปล่อยทิ้งกายรูป ก, กายมันแกีมัน เก็บมันตายไม่มีประโยชน์เรารอวันเก็บรอวันแก่ร ว, วันตายเวลามันเจ็บก็เป็นทุกข์เวลามันตายก็เป็นทุกข์ต้องยองจำนวนันมากร้อยทั้งร้อยก็ว่าได้ไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะความเจ็บความตายคน ที่ไม่เก็บไม่ตายก็เป็นทุกข์คนที่ตายก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเราจะต้องยอมรับหรือถ้าเป็นจากนี่มีค่าลายชีวิตเรานี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จะได้ชีวิตต่อยอดต่อจากความแจ่ความเก็บควาตายได้ชีวิตขึ้นมา ก็ง่ายๆเป็นภาษาพูดเห็นไม่เป็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์อย่างนี้ไม่เหมือนกับการเป็นต่างกันอยู่นะถ้าหลงเป็นผู้หลงถ้าทุกข์เป็นผู้ทุกข์มันต่างกันอยู่นะหหยให้ติวตรงนี้ ถ้าไม่มีทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ลองดูเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นมันเจ็บมันปวดไม่เป็นผู้เจ็บผู้ปวดเราทำหนนี้เรียกว่ า, าค่อยค่อยอ่อยค่อยสูงขึ้น ความเจ็บความปวดความหนาวความหิวที่เกิดกับกายกับใจจะทับผมไม่ได้ราวะที่เห็นพราวะที่ไม่เป็นเนี่ยนั้นไปกูนธรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใช่ธรรมันจึงเหนื่อได้ถ้าเราไม่ฝึกมันเหนื่อไม่เป็นไม่ได้สัมผัสปฏิบัดทรเป็นการสัมผัส ในการต่อตัวเองเช่นความรู้จักตัวกับความหลงควมรู้จักตัวกับความหลงต่างกันไหมควมโกรธกับความไม่โกรธต่างกันไหมควมทุกข์กับความไม่ทุกข์ต่างกันไหมมาเพื่อพ้องกันเลือกได้ถ้ามีหลงก็มีไม่หลงมาพ้อมกัน แตามมนมีทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์มาพร้อมกันมันมาให้เลือกมัาเป็นคู่ไม่น่าจะจนเลยมีสิทธิได้ทำได้ทุกคนจริงที่มนเกิดกับกายกับใจนี่ตรงกันข้ามหลายอย่างอาจจะทั้งหมดก็ได้ เอาเป็นเกนท์ขี่วัดเช่นบาซิรัตถะเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่พระชนมายุสิบหกพรรษาเห็นเปียนอย่างนี้เห็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเกิดทุกคชีวิตจะหาคำตอบเรื่างนี้อันหาคำตอบไม่ได้มายคิดเอาเหตุเอาผลต้องเป็นภาคปฏิบัติ <c oughs> ภาคติดปฏิบัติก็ได้ผลเลียนจากจริงเหล่านี้เป็นครูฉันเข้ารู้สึกเหยื่อฉันออกรู้สึกมันเกิดไหยขึ้นเกิดคิดขึ้นมาคิดถึงพิมพานั่นไม่คิดไปแล้วก็มารู้ตัวนี้ตอนไปคิดถึ ง, งหล่อหนุ่มคนมีลูกเปเมียก็ ค, คิดถึงลูกถึงเมียคนเคย เปรเพื่อนอะไรมาก็ไปทางนั้นมันมีขันธ์หน้ามีลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครมีลูกก็ติดแบบผู้มีคิดแบบคนมีลูกคนมีเมียก็คิดแบบคนมีเมียคนมีผัวก็ชิดแบบคนมีผัวด้อมแล่นไปก็กลับมาต่างกันอยู่เวลามันคิดถึงพระเจวัง ภาษาจารุดูมันก็อาจจะเปรียบเทียบต้นชีมังลโพไม่ได้เลยถ้าเอาความคิดเหตุผลก็ก็ไปกับความคิดได้นี่มารู้จักตัวช้าเลาคิดไปกับมารู้จักตัวเวลาคิดไปกับมารู้จักตัวเวียนไม่เป็นความรู้จักตัวทั้งหมดเกิดขึ้นในขาวนั้น เมากง่ายหลายอย่างต่อมท่าจะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวนั่งอยู่กลางแจ้งไม่มีล่มเงาเหมือนโหลที่นั่งอยู่ที่นี่แสงแดดออกก็ถูกลมพัดก็หนาวย็นเดือบจูงลมเลยก็ยเยอะแยะต่อมท่าจะเก็บจะป่วยนั่งงานก็ปวดขั้นเนื้อขั้นตัว มีบ้างกลัวตายเตียบเทียบกับพยาบาลพยามาลกับเทวุตมาล พ, พยาพยาบาลพานานที่ทำให้เกิดการอันตรายเทวุตบาลคิดถึงความปลอดภยัย พ้าองค์เคยอยู่วัะชาราฤดูมีสาวสนองกำนันในแวดล้อมมาอยู่อย่างนี้เดียวเปลี่ยวเดีวดวดวดยวเปลี่ยวได้ว่าเบคิดไปก็กลับมามากมายเหตุผลทลักเข้ามากลับมารู้สึกตัวเบี้ยเข้ามาความรู้สึกตัวนี่แล้วว่าปฏิบัติมันก็เปรียบเทียบกันขึ้นมาประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับ กายกับใจมากหลายหลายอย่างบทเรียนที่เกิดกับกายกับใจที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์บทเรียนที่มันเกิดเป็นกิเลสตัณหาลาคะก็ได้บทเรียนมาเป็นความรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดจบลงที่ความรู้ตกลงที่ความรู้ดูดเอาความรู้สกตัวดูดเข้าไาหัดที่แรกก็ ง่ายที่จะหลงหัดไปหัดไปง่ายที่จะรู้ขึ้นมาจำนานขึ้นเติวขึ้นจานานขึ้นแต่ก็ก็หลงเป็นหลงแค่ความหลงก็ยากทุกเป็นทุกไปแค่ทุกแค่ปวดแค่เมื่อยก็ยากใหญ่มากเวทนาเนี่ยยิ่งใหญ่กรรมเมันกัดฟัน พอทําไปทําไปไม่ก็ไม่เคยยั่งยากเห็นหลงที่ไหนก็สนุกดีได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นเรื่องก็ตือรือล้นขึ้นมาแต่ก็ไม่พอใจไม่อยากแค่มันหลงก็หลงพอทําไปทามามันดีเนี่ยก็หลงมันดีนี่ความมั่นใจสมใจได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ ไอ้เปลี่ยนทุกเป็นรูเปลี่ยนทุกอย่างเป็นรูเนี่ยนันเลยง่ายแต่แรกก็เปลี่ยนต่อไปต่อมาก็มันเป็นไปเองนั้นเป็นไปเองไม่ได้ไปเข็นอะไรถ้าหลงเธอกระลูก้นมาจำเนี้จํานาน แต่ก่อนผิดก็ไม่อยากมันผิดอยากให้มันถูกบางทีคิดพุ่งซานอยากให้มันสงบที่แรกก็เป็นอย่างนั้นก็ทําไปทํามาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันมาอันหนึ่งก็มีอันหนึ่งมันเคยไม่เคยกินชํนานาญไม่ความพุ่งซานเกิขึ้ น, นก็มีความสงบ เก้กันไปไมีสติแต่ตีเป็นคนรัฐธรรมหลายอย่างโดยทั้งการปล่อยการวางความสงบปกติหลงก็เลยเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงไอ้มันรู้มันรู้ก็เห็นมันรู้ไม่เป็นผู้รู้อยู่ไม่ได้เป็นซ้ายขวอยู่ตรงกลางเห็นในเมื่อกาโต ป, ปเทือนที่เลิกกราโต ป, ปเทือนนะวัดที่วัดธรรม เัื่อปักเมื่อมเห็นเอหงอหงอนความคิดผุ่งสันลังเลชงสายบันบายเราทำไปทำไปก็นิง่งอะไรที่เห็นนี่มันก็นิง่งบันหลงเห็นวันหลงไม่แปลกอะไรระวังหลงระวังรู้ก่อน ผิดกัมถูกก็ไม่ต่างกันเลยมีแต่ภาวะที่รู้ผิดก็เห็นถูกก็เห็นสงบก็เห็นพุ่งส่านก็เห็นทุกข์ก็เห็นไม่ทุกข์ก็เห็นม้วก็นิ่งต้องไปทำมันมนิ่งเรียกว่าเอขคตาจิตเป็นจิตที่นิ่งเป็นจิตที่ไม่หวนอะไรก็ก็เห็นเห็น ไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ใช่ไม่จัดไม่ใช่ไม่ัามวาในว่าสมาธิฉันทำปฏิกิริยาปะหาติมันมันไม่เซหลงก่อนรู้สุข ก, ก็รูทุกขก็รูผิดก็รูถูกก็รูสงบ ก, ก็รู้องซ้อนก็รู ว่ามันรูบไปมากไม่จะ่รู้รู้เห็นหมดไปอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเห็นหมดแล้วยิ่งใหญ่ภาวะที่เห็นนี่มันก็ดูผู้ดูกลายเป็นผู้ดูมาโดยเป็นผู้อยู่กลายเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นกับทุกอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยเกายิ่งใหญ่แล้วก็ที่สุดก็คือไม่เป็นอะไรกับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เป็นอะไรกับอะไรในสิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมาลงที่ตรงนี้จุดหมายปไงยทางของการปฏิบัติแต่ผ่านมาเยอะมันจึงไม่เป็นชีวิต ท, ที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันยิ่งใหญ่ทั้งละความชั่วทั้งธรรมความดีทั้งดําจิตที่โมลิสุด มันก็ไม่ใช่เหวไม่ใช่เราไม่ได้มีการกระทำได้เห็นมาแล้วทำมาแล้วแค่นั่นเองตัวมหลงแค่นั่นเองกิจ้จยเวลาการที่เกิดขึ้นกับกากับจอยแต่ก่อนเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกขเรียกว่าผิดเรียกว่าถูกเรียกว่าได้เรียกว่าเสียไม่มี ภาษาธรรมะผู้ปฏิบัติไม่เรียกว่าได้ไม่เรียกว่าผิดตัวไม่เรียกว่าสุขวิตุเป็นอาการความร้อนเป็นอาการความหนาเป็นอาการความหิวเป็นอาการความเจ็บความปวดเป็นอาการไม่เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาต้อมีหลักเวลาเราม่เห็นรูปเห็นนาม รูปธรรมนามธรรมมันจึงเรียกสุขเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหม่ถ้ามีกายมีใจจะเรียกว่าสุขว่าทุกข์จนตรงนี้มากต้องมเห็นรูปเห็ น, นามไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์เรียกเป็นอาการเฉยๆอาการของกายแึง หองผลร้ลอนหนาวก็มีความหนาวเป็นอาการของกายแสงแดดก็มีความร้อนเป็นอาการของกายอาหารที่มันขาดในกระเพาะก็เป็นความหิวเป็นอาการของกายน่าจะขอบคุณเหมือนขอบคุณอย่างน้ขอบคุณเรื่องของกายไม่ต้องเรียกว่าทุกจะเรียกทุกไหม่ใดมันเลยไม่มค่าเขาบอกว่าทุกไม่มีค่าเลย มีเสียงไหมไหนฮะไม่ได้ยินตัวเองมันไม่มีค่าจริงๆอย่าที่ว่าสุขว่าทุกเนี่ยที่ว่าแก้ว่าเก็บว่าตายไม่มีค่าจริงๆนะเพราะเราได้หลักฐานเรียกใครว่าทุกก็สมมุติเรียกตามภาษาก็เรียกปณาการภาษาธรรมเพราะมันเห็น มันเห็นรูปเห็นนามว่าเห็นรูปเป็นนามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเป็นอาการเป็นภาษาที่เป็นอาการอัจะภาษาที่เรียกกันเป็นสมมติปัญญาต์ว่าชอบก็เป็นสมมติปัญญาต์ว่าไม่ชอบเป็นสมมติปัญญาต์ไม่ใช่บรตพชัจักเป็นการสมมุติทั้งนั้นรวมโกดเป็นสมมติปัญญาต ขึ้นมาลอยๆองค์ไม่โกรธเป็นปรมา จ, จิตจักมันจะเอาได้อย่างไงมันคมขืนตัวเองเองทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติตามแต่ใครจะเรียกเอาบัญญัติเอาในสิ่งที่บัญญัติป้าตัวเองเป็นทุกข์คนผู้ไม่ทุกข์พวกเราสมมุติมากนะมีอยู่มากชอบไม่ชอบเหมื ก, กัน เราเห็นอย่างนี้เห็นแจ้งที่ว่าวิปัสสนาคือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเชื้อใจเชื้อชีวิตของเราตรงนี้ไปเห็นของสมมุติว่าไปยึดไปถือมันจนเสือผู้เสียคนไม่กระทั่งความคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเอง เสือยเสือดายมากตัวนี้เป็นทุกข์พวกความคิดไม่ใช่เขาจับจัตตาวุธที่ไหนบ บ, บังครับใส่โซ่ใส่ตัวเลยคิดขึ้นมาเป็นทุกข์เฉยๆไม่มีค่าอะไรคิดเราถ้าเป็นอย่างนี้กินข้าวนุ่งผ้าสร้างบ้านอยู่ทุกข์ความคิดนี่มีค่าอะไร ไม่ยิ <Ich. S 1> ่งใหญ่เลยเราจึงต้องไมทรับใครในของเราคือธรรมะเพื่อควบคู่กับการใช้ชีวิตให้มันสมบูรณ์สมบัติที่เป็นมนุษย์สมบัติจะยิ่งใหญ่เป็นโบริสุดโบิบูรณ์ชื่นเฉิง แลอ น, นี่นอนไม่ค่อยหลับมุดกัดลหลายวันมานอนทีหนึ่งมุดมันกัดน้ตัวน้น อ, นอยๆมันก็เจี๊ยบเลยไปพูดกับมดเล่นๆมันกัดกันทําไมฮนะพวกเธออยู่ได้พวกเรานะป่าแห่งนี้ถ้าเราไม่อยู่นี่พวกเธออยู่ได้หรือ ป่านนี้เขาเป็นไล่มันไล่อ้อยเขาจะโพดกับมักโซนพวกเธออยู่ไปได้เราตายหมดแล้วงดปลังไม่มีที่อยู่แล้วนี่เราเลยรักษาที่นี่ไว้เนี่สีิบกว่าปีเนี่ยพวกเธอมีชีวิตอยู่ไม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่งดปลงสัตว์อะไรก็เราถือว่าเราเป็นผู้ให้กวามเป็นธรรมที่ชุดที่นี่แต่มาเกิดกันอย่างนี้ไม่เป็นธรรมนะพูดเล่นๆกับมดเนอะ มันก็ไตมันก็ใหญ่นะไม่มีอะไรที่เราทําให้ไม่ไม่มีความเป็นธรรมเลยอะไรก็ตามที่เราให้ทำเป็นธรรมเกิดขึ้นมีสิทธิจริงๆมีสิทธิลอยตัวในโลกนี่มันเจ็บไม่เจ็บมันแก่ไม่แก่มันตายไม่ตายสติลอยเปอร์เซ็นจากกรรมฐานท่านี่ยโอ้แฉนเข้าแฉนออกสึกตัวเนี่ย เท่านี่เวลามันหลงรู้จักตัวนี่แหละเวลามันถูกรู้ตัวอะไรมาเป็นความรู้จักตัวทั้งหมดเนี่ยจะไปไหนมันด้จบได้มันไปไม่ได้ถ้ารู้จักตัวถ้าหลงเป็นหลงไปกกยหลงจนตายถ้าหัดถ้าหลงเป็นรู้ทุกข์เป็นรู่ร้อยที่มันเกิดกายเข้าใจเป็นรู้เป็นรูน้ทั้งหมดให้มันเชื่มตรงในจิตน้อย นอนอยู่ก็ได้ไม่ใช่จิตเดินทั้งวันนอนอยู่อริบหเลยที่มันเกิดขึ้นกับกา๋ากับใจที่มันไปจุขไะทุกข์ไม่ปกติแนละ้ให้รู้จักตัวนอนอยู่ก็รู้ได้ยิ้มแย้มแจ่ ม, ม, มใสให้ทาแบบสุขปฏิปทาปฏิบัติแบบสุขสนุกสนานอมยิ้มไว้เสมอ เวลามันหลงให้ยิ้มรู้สึกตัวอย่าเป็นเรื่องยากเรื่อ ง, ง่ายอย่าไปความชอบไม่ชอบความพอใจไม่พอใจให้รู้เฉยๆความรู้เฉยๆเป็นหลักเสเขืนไม่อะไรที่มัเหนือกว่านี้เวลาหัดให้เข้มแข็งมีกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็น l ิมิ t กลับมาได้ นแล้วก็มีอะไรที่เกิดจากการตรวัติสงสัยเล่นใดมีเพื่อนมีมิตรที่นี่ผู้ผ่านจากอารมณ์ต่างๆที่เกิดกับเราร้อยชีวิตที่อยู่ที่นี่เคยผ่านมาแล้วเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่ผ่านหลงทิศหลงทางนะให้สบายใจดำเนินชิดเื่นาด อย่าขับตอบเหตุผลให้มีการกระทำปารบความเพียรดูทุกข์อนาทีให้จิติรอยเอร์เซไม่ต้องกังวลเรื่องลอยอาหารการกินโสตายแล้วจะขอใช้จินลอยถ้าหนาวกมีผ้าห้ห่มไปเอาได้อย่าเก่งใจ คิดว่าพอจะอยู่กันได้ไม่ค่อยจะมีเชียงน ะ, ะนี่ก็พอนะกลาพระพร่ อ, อ, อมกัน